โ อ, อกาสนี้มันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไน้พากันนมัสการพระธนธรนตรัยแล้วต่อ น, นี้ไปให้รวบวมกำลังใจให้อยู่ในสื่งของกุศลขั้นดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคำอย่างนี้ที่ว่าจิตเป็นสมาธิก็คำว่าสมาธิตัวตั้งใจว่าเฉพาะเหตุใจหนึง่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเึ่นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อเส้นทางสายเข้าสู่ผลิตภา์ เมื่วานนี้ได้กล่าวไแล้วตามพระพุทธพน์ทีของสมเด็จตัตสัมมาสัพพะเจ้าว่ว า, าที่สินสิขาเป็นกําลังของพระโระสดากัภ菩萨คามีาที่ธิิติสิขาเป็นกําลังของพระอนาคามีาทิ่ปัญญาสิขาเป็นกําลังของพระอรหัตนตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมักถถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโและติริชานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบใิความรัก แตกอบไปในความโลภแต่ก่อไปในความโรกรธแตกอบไปในความโง่อันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ที่เดริจฉานคําว่าเดรัฉานส็มัยความว่าไปขวางเิรัฉานนี่ก็แปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีมัไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นจาการก็ราเรัฉัน ใจคิดเป็นใจคนดิเรกชนันวาจากล่าวเป็นจิตรกชนันในกาถาเป็นวาจาของดิเรกชนันการทําแปลการของดิเรฉานันใช่ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการคนดิเรกชนทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการกิจทางกิจคนดีทางวาจาคนดีทางใจคนดีจงอย่ามีในสมนักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งกับคนอืน่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอืน่นจงอย่าสนใจกับจริยาของุคคลอืน่นให้พยายามปรับปงใจตนเองเป็นสำคัญ แล้วให้ทรงชมวิหารสีมีอธิบาตสีฟังแล้วก็ทดจจำจำแล้วก็ลงกระพฤธปฏิบัติยงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเรียกว่าตัดหนา้าใบกุ ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับุคคอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนัะควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น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 ถ้าจิตเขาเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีถ้ า, ามากายก็ดีวาใจเก็ดีถ้าจิตขขาเราเลววาใจเขาเลวก า, ายก็เลวให้ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกริดขึ้นเปนการขีดระเ บ, บียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเ บ, บียบที่ไหนเราควบคุมศิ่งสิ่งที่เรา ม, มีเท่าไหร่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 ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นอันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทำคนอื่นเ้ามีอารมณ์เ ร, รรเราร้อนเราก็จะรับอารมณ์เราร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้า ก, กล่าวว่าผูชาลปติผูชังวั น, นโกปฏิวันทนางผู้บูชายมโดยการบูชาตอบผู้ไหวยมโดยย่วยไวตอบถ้าเรามีโท ม, มิหานสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตามเลร้อนไม่ก็ไม่เกิดขึ้นมีขอทุกท่านจ ง, ยงพยายามควบคุม ก, ก, กาลังใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ เพราะสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้าพร <c oughs> ะพุทธเจ้ายอมมาเลี้ยงคนชัวน่วพระพุทธเจ้าทรงยก ย, อย่องแต่คนดี น, นิใครหักปักใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าหนุนผล อย่าความดีเข้ามาบวกหรือว่าทำความดีถ้าทำความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกำลังใจของใครเข้าถึงพระโสด า, า, าปัติผลอารมณ์แห่งพระโสดาปัติผลนี่ความจริงมันเป็นยญ้าปากคอกแล้วพูดกง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสำหรับผู้ใหญ่ เราบวชขึ้นเข้ามาแล้วเวลา น, านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้ น, นี่พูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่ารมชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยากเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว นี่เราจะฝาบความชั่วของเราอะไรก็ทรงต้ อ, ง, อ ง, ตงมีหานศีไว้เป็นสาคัญถ้ามีตรองมีหานศี้ะหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์ที่ก็โซดาบันทึนบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆหรืการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงศีลให้บริสุทธิ์ ไม่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมันโลทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมนโนสลทุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นใจยาของครู ว, วดัดหรือของพระสําหรับพระเนริมีสินมาอยู่แล้วก็วไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเตียบเทียบกับสติฐานสู้สติฐานไม่ตา้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีกายขารกในพระรพุทธธรรมระสงและมีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอธิสิและสิขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากระสินพาธ่เมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปลารลเป็นบอกว่าอาการปฏิบัตนนิอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริญ จริตมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในวาธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานสติกมามฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้วุ่นปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นีถ้าเราจะตายให้มันดีถ้าเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีถ้่เพาว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจ ช, ชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พระโสดาบันคงกําลังใจให้สรงอยูมม่ในความดีทั้งนั้น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 ถามแลืไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าพระสู ด, ดาบันเนี่ยไมไ่ต้องทรงสมาธิหรื อ, อยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าพระสู ด, ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเขาไว้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 ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรร ม, มานุสติกรมรรทานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสาวสอนจนได้บรรลุมรรทผลเราก็สแสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านลึกถึงท่านเขาไว้อย่างนี้เป็นสังขารุสติกรมรรทนัน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระมิธรมานตสงมอบให้และนําสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้วนดีดีอย่างนี้เป็นศีลหลานุสติตรงมาทานเรานึกถึงผลิพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือผลิพาน อย่างนี้เป็นอุปส ม, มานรูปสติกรรมาฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยการปกติจะตายด้วยอาาบุบตาออิเหตุก็ตามเก็ที่ว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกย ค, ความดีใส่กําลังใจไว้ให้มันครบ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบใสปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการทุกบริบูรณ์ทั้งหมดเพราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสธิกรรมฐานเป็นอนุวาตได้ของสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างวันหนึ่งพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขารนุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณานุสตินี่การเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นพระโสดาบันมีกฎบังคับว่าถารมณ์จิตต่ํากว่าพระสมัยฌานจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติแลอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติในฌานที่สี่นี่ปกติไม่ได้ปกติจะหมายความถึงเวลาที่เราจะใช้พยายามปกติธรรมดาถ้าพูดเราพูดเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ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 ถ้าเป็นพระเฉลียวพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้าอารมณ์ก็เราซามลงไ ป, ปราศเกี่ยวกับปัโสดาบันละ่ะถ้าเป็นพระก็ลเลยเป็นพระดีในฐานปฏิถ้าฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนานแน่นไปเลยกิเลสเป็นพาลชนคนโง่ โง่ก็อะไรโง่ก็ไม่คุมความดีไม่สร้างไม่หาความสุขให้เสรีตง <S <S ทั้นี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงบ้านสนดา บ, บันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมองคลตึงข่าวคําว่าไม่ถือมองคนตึงข่าวกหมายความเขาเฮ ท, ที่ไหนไปที่ไหนเขาเือที่นอนดีไปที่น่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดท้ายทีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก เนี่ยเราไม่แน่นอนมีคติไม่โกรธอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริ่มรับพระโสดาบันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนเ ข, ององนขาองค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคาสั่งสอนอของพระเดทธบริสุทธิ์พระโสดาบันยอมรับย่อมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญเทปพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ใช้เวลานับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่านถือว่าเป็นสาสตยบุตรพุทธคินหลวงพฉะนั้นท่านที่ถึงบระโสดาบันแล้วยิงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสามาวดี พระพเจ้าเท็นบรมกรศักดิ์เริ่มบาดเท้าเธอยะทรงขอเข้ามาโพรการหลงผิดลงโทษพนาสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระรูกศรไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเท็นก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาต่อบิดาก็มองฉันนี่การผิด ใดพระอริยเจ้าต้องขอขมาตรงพระพุทธเจ้านี้ก็เลยว่าขอก็เขมาตวีดายก็พะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อฉะนั้นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมฐานจงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตบริสุสธิทราบ ว่าสนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคับออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบกุคคลบุญใดทําความดีเพียงใดนั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว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 อยากรวยก็รวยในความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครธรร ม, มะให้จริงตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรับสวยรงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของง่ายๆยากปากพ่อเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทําได้หวังว่าต่อ น, นี้ไปท่านงหลายคงจะไม่มีใครเหลวมีแต่ความดี แต่วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ข้าเป็นพระสรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่คลองผ้าขาวสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นระว่าก็ขอยกย่องว่าถ้าส่งความนี้ได้จัก็เป็นความดีได้ต่อจากนี้ไปขอทำอย่างไรโปรดตั้งใจให้สรงดำรงจิตให้ใหม่ กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสายตึ่งกว่าจะได้ยินเส้นญาณบอกหมดเวลา